ธรรมที่จะฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องสังสารวัตรสังสารวัตคืออะไรก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองสัตว์ที่มาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี้ก็มีตั้งแต่พรหมลงมาสู่เทพมาสู่มนุษย์ สู่สัตว์เดราชฉานสู่เปรตสุวสุลกายและนรกนี่คือสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรมีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ตาวกเท่านั้นที่ไม่ได้ติดอยู่ในสังสารวัตไม่ได้เวียนว่ายตายเกิด เพราะว่าได้หลุดพ้นจากสังสารวัตด้วยการปฏิบัติธรรมที่พู้เจ้าได้ส่งค้นพบแนะนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ตั้งของสังสารวัตอยู่ที่ไหนที่ตั้งของสังสารวัตรก็อยู่ที่ไตรภพคือสามภพ คือได้แก่กามาพบรูปภพและอรูปภพเป็นที่ตั้งของสัตว์โลกชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับสัตว์โลกนั้นเสพอะไรสัตว์โลกที่เสพกามาพบ ส, สัตว์โลกที่เสพกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะก็จะไปเกิดในกามาพบสัตว์โลกที่เสพรูปประชาน คือความสงบของรูปฌปานก็จะไปเกิดในอรูปภพสัตว์โลกที่เสพอารูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพอรูปภพก็คือภพของพรมที่เรียกว่าอารู ป, ประพอรู ป, ปรภพก็จะอยู่ในอรูปภพ รูปปภมก็จะอยู่ในรูปภพส่วนพวกที่เสพกามเทวดาก็จะอยู่ในกามภพมนุษย์ก็อยู่ในกามภพสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในกามภพเสดสุรกายและนรกก็อยู่ในกามภพเพราะสัตว์โลกเหล่านี้ยังเสพกามกันอยู่ ยังหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลพพิ่นรสผลพภะอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์นี้พวกเราก็อยู่ในกามาภพอยู่ในภพที่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆให้เราได้เสบ้วยตาหูจมูกลินกายของร่างกายในกามาภพนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองส่วน สองเสกด้วยกันเีกหนึ่งเรียกว่าสุขคติอีกเีกหนึ่งเรียกว่าทุคติซีกของสุขคติก็คือเป็นพบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ได้แก่สวรรค์ทั้งหกชั้นที่พวกเทวดาชั้นต่างๆอยู่กันอยู่ในสกของสุขคติ เวลาที่คนตายไปเรามักจะขอให้เขาไปสู่สุคติความหมายก็คือขอให้ดวงวิญญาณเขาได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนอีกซีกหนึ่งที่เป็นทุกขติเป็นซีกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็ได้แก่พบของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสูรกายและนรก มีชื่อว่าอบายสีนี่ก็เป็นซีของดวงวิญญาณของผู้ที่ตายแล้วไปเกิดใหม่ก็จะไปเกิดในซีของทุกขติถ้าทําบาปมากกว่าทําบุญเพราะบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบายในทุกขติ ถ้าทำบุญมากก็าทำบาปบุญก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปเกิดในสุขคติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับว่าบุญมากบุญน้อยบุญน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นต่ำบุญมากก็จะอยู่สวรรค์ชั้นสูงมีแบ่งไว้เป็นหกชั้นด้วยกันสาเหตุที่ทำให้ ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายนี่ก็มีอยู่สาเหตุด้วยกันทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เช่นทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพเราคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำต้องเลี้ยงชีพก็เลยเลี้ยงชีพโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็จะเป็นนิสัย ฐานดานของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่ทามาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาตายไปบาปที่ทำไว้ถ้ามากกว่าบุญที่ทำไว้ก็จะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากมากอยากมีมากมากอยากร่ำอยากรวย ทำบาปเพราะทำถ้าทำไม่ไม่ทำบาปจะทำไม่ได้จะไม่ได้มากๆเหมือนที่อยากได้ก็เลยไปทำบาปไปช่อโกงไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้ก็จะไปเป็นเปรตพวกที่ฆ่าสัตว์ตัดพวกที่ทำบาปด้วยการด้วยความกลัว กลัวว่าจะถูกผู้อื่นเข้ามาทาลายเราทำร้ายเราก็เลยป้องกันตัวเองด้วยการไปทำร้ายผู้อื่นก่อนเช่นเวลามีงูเข้าบ้านมีสัตว์ด้วยคานหรือสัตว์ชนิดต่างๆเข้ามาในบ้านก็ค่าเขาด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ดวงวิญญาณก็จะไปเป็นอสูรกาย ส่วนถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธเกลียดจองเวรจองกรรมเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปนรกนรกก็เป็นที่เหมือนกับกองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทนี่คือที่ไปของ ของมนุษย์ผู้ที่อยู่ภพของมนุษย์นี้อยู่ตงกลางระหว่างสุขกติกับทุกขกติเพราะภพของมนุษย์นี้มีสุขมีทุกข์เท่าๆกันบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์สลับกันไปส่วนทุกขกตินั้นมีทุกข์มากกว่ามีสุขส่วนสุขกตินี้มีสุขมากกว่ามีทุกข พวกเรานี้เป็นมนุษย์พวกเรามีการกระทาอะไรต่างๆบางทีเราก็ทำบุญกันบางทีเราก็ทําบาปกันและบาปกับบุญนี้ก็จะสะสมไว้ในใจของพวกเราไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบาปกับบุญที่เราสะสมไว้ในใจนี้ก็จะมา บวกรบคูณหารกันมาดูว่าใครมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปในใจมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์หกชั้นด้วยกันอันนี้คือการเยื่ยนไหวตายเกิด ของผู้ที่เสกกามหรือผู้มีความอยากเสกกามเรียกว่ากามาตัะหาสาเหตุที่พาให้สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ก็คือตันหาสามชนิดด้วยกันกามาตัะหาความอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นแล้วถอดตพะชนิดต่างๆภาวะตันหาคือความอยากจะเสกรูปประชาญ ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปภพสวรรค์ชั้นพรมแล้วความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากจะเสพอารูปประชานอารูปประชา น, นี้เป็นความสุขที่สูงสุดในใ น, ในความสุขทั้งสามชนิดนี้อารูปอารูปประชา น, นี้เป็นความสุขที่ละเอียดที่สุขที่สุด ลองลงมาก็รูปประชานลองจากรูปประชานมาก็คือความสุขจากการมาสุขจากการมาคุณห้าจากการได้เสบรูปเสียงกินลดเช่นพวกมนุษย์เทวดานี้เสบรูปประชาพวกพรหมนี้รูปประพรเสบรูปประชานพวกที่พวกอรูปประมรก็เสบรูปประชาน ใครเป็นพวกที่มาเสบรูปประชานมนุษย์พวกไหนเป็นพวกที่เสบรูปประชานกับรูปประชานก็พวกนักบวชนี่นักบวชนี้เขาจะละเว้นการเสกกรรมเขาจะถือศีลแปดขึ้นไปไม่หาความสุขจากการเสกกรรมมาขุนห้าไปอยู่แปนักบวชไปหาที่สงบสงัดวิเวก เพื่อทำใจให้สงบเป็นฌานขั้นต่างๆฌานก็แบ่งไว้เป็นสองชนิดรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานก็มีอยู่สี่ขั้นอารูปฌานก็มีอยู่อีกสี่ขั้นใครได้รูปฌานเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดเป็นรูปปฐมมาอยู่ในรูปภปพใครได้อารูปฌาน เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปภพผมแต่ฌานที่ได้ไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงไปอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเสื่อมลงพอกำลังของฌานหมดไป กำลังของตัรหาความอยากยังมีอยู่มันก็จะเดึงให้ดวงวิญญาณของของพรหมนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้มาเจริญรูปประชานารูปประชานใหม่ตรงนี้เวลามาเกิดมักจะมาเป็นนักบวชกันสังเกต ด, ดูไหมคนบางคนทำไมเขาถึง ไปเป็นนักบวชกันทั้งๆไม่มีใครบังคับแต่นิสัยเขาเขาเคยหาความสุขจากรูปปฌานละอารูปปฌานมาก่อนพอเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะมาหาเขาก็จะไปเป็นนักบวชกันเพราะนักบวชนี้มีอาชีพหาความสุขจากการเข้าสมาธิจากการถือศีลไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผัพะ ตรงนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดระหว่างภพของมนุษย์กับภพบของพรหมตายจากมนุษย์ไปก็ไปอยู่เป็นพรหมตายจากพรหมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวียนว่ายตายเกิดในระหว่างภพของมนุษย์กับภพบของพรหมภพของมนุษย์นี้เป็นที่สร้างรูปฌปานเป็นที่สร้างอารูปฌานที่เป็นเหตุให้ดวงวิญ ญ, ญาณไปสู่ อรูปภพกลับไปสู่อรูปภพส่วนพวกที่เสพการนี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทำกันไว้ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็จะ ไปเกิดในาบายสี่สี่แห่งด้วยกันทำบาปด้วยความหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทำอาหากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยพวกที่ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยก็คือพวกเปรเพราะว่าความอยากนี้มันได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทําให้หิวอยู่เรื่อยๆ พวกที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็น อ, อสูรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมพวกนี้ก็จะไปนรกไปที่มันมีแต่ความทุกข์ทรมานใจด้วยความรุมร้อนจิตใจไปนรกเผาผลาญจิตใจ ไฟแห่งการอาคาตปยาบาทนะพวกนี้ก็คือพวกที่ไปสู่ทุกขติพวกที่ไปสู่สุกติก็เป็นพวกเทวดาพวกที่ไปอยู่เป็นเทวดาก็อยู่ได้ชั่วข่าวเป็นเทวดาได้ชั่วข่าวพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พที่กลับมาจากเทวดาจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพวกที่ชอบทำบุญทำทานชอบรักษาศีล mm hmm. สังเกตดูไ้ยทำไมคนเราจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบทําบาปบางคนชอบทำบุญ mm hmm. โดยที่ไม่ต้องมีการสั่งสอนกัน mm hmm. เพราะมันเป็นนิสัยเก่า mm hmm. ที่ติดตัวมากับดวงวิญญาณของตน เวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะติดนิสัยทำบุญรักษาศีลเวลาตายไปก็จะไปสวรรค์ไปอยู่เป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลง <c oughs> ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญมารักษาศีลใหม่ส่วนพวกที่มาจากกบายพวกที่หลังจากบาปที่ส่งให้ไป เกิดนายบายหมดกาลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาทำบาปใหม่พวกที่ชอบทำบาปก็จะมาทำบาปพวกที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นด้วยเป็นอาชีพก็จะกลับมาทำอาชีพแบบเดิมพวกที่พวกที่ชอบชอบโกงลักทรัพย์พวกที่ชอบพวกที่ทำบาด้วยความโลภ ก, ก็จะมา เกิดเป็นมนุษย์ที่ชอบโกงลักทรัพ ย, ย์ขโมยเงินขโมยทรัพย์ชอบโกงต่างๆ uh huh. พวกที่พวกที่ชอบฆ่าผู้อื่นเพื่อป้องกันตนเอง uh huh. ก็จะกลับมาทาแบบเดิม uh huh. พวกที่ชอบอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม uh huh. เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะ uh huh. มาจองเวรจองกรรมกันใหม่ ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพอตายไปก็กลับไปเกิดในอบายใหม่พวกที่ชอบทำบุญรักษาศีลตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ใหม่ก็จะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอกภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เป็นที่สร้างภพต่างๆเป็นผู้ที่เป็นที่มาสร้างบุญสร้างบาป เป็นผู้ที่มาเป็นภพที่มาสร้างรูปปชานารูปประชานแล้วก็กลับไปกลับมากับผลที่ได้ทำเอาไว้ภพของมนุษย์นี้จึงถือว่าเป็นภพที่มีการกระทำต่างๆได้เป็นภพที่สร้างเหตุสร้างรูปประชาญสร้างารู ป, ประชาญสร้างบุญสร้างบาปส่วนภพอื่นๆนี้เป็นภพที่ไปรับผลบุญผลบา เป็นภพที่ไปรับผลของรูปประชานะอรูปประชานภพของรูปของรูปปภมก็ไปก็เป็นที่รับผลผลของรูปประชานภพของอารูปปภมก็เป็นที่ไปรับผลของอารูปประชานภพภพของเทวดาก็เป็นภพที่ไปรับ ที่เป็นผลของการกระทำบุญต่างๆแล้วก็พบของอบายสี่ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นที่ไปรับผลของการกระทำบาปสี่ชนิดด้วยกันทำบาปด้วยความหลงทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความกลัวและทำบาปด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทุกชนิด เวียนว่ายตายเกิดในตายพบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพบชาติที่สัตว์โลกเหล่านี้ได้เวียนว่ายตายเกิดนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าจํานวนของพบชาติที่เวียนว่ายตายเกิดนี้มากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เอาน้าตาที่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งนี้ น้องร้องห่มร้องไห้กันมากน้อยเพียงไรให้เอาน้าตาที่เกิดจากการเศร้าโศกเสียใจจากการร้องห่มร้องไห้นี้ถ้าเอามารวมของแต่ละภบแล้วรวมกันนะมันจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรถ้าคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กี่รอบถึงจะหลั่งน้ำตาได้มากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทร นั่นแหละคือจำนวนของภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้มาหลังน้ำตามามากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรแล้วก็ยังไม่หยุดยังจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาตัดสเลืความจริงของสังสารวัฏ มารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพก็คือกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาความอยากเสพกามความอยากจะเสพรูปประชานความอยากจะเสดอจรูปประชานนี่คือความตัญหาทั้งสามที่เป็นเหตุให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอยู่เรื่อย ส่วนสัตว์โลกที่มาเวียนว่ายตายเกิดในสุขติก็เกิดจากการทำบุญก็จากการทำบุญรักษาศีลห้าสัตว์โลกที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายก็คือผู้ที่ทำบาปไม่ทำบุญก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขตินี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรลูรู้เหตุของการมาเวียนว่ายตายเกิด ในภพต่างๆมาเกิดจากความอยากสามชนิดความอยากเสพกามความอยากเสพรูปประชานความอยากจะเสพอารูปประชานก็ทําให้ไปเกิดในกามะภพในรู ป, ประภพและอรู ป, ประภพ <c oughs> แล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่บุญเน้อเหตุที่ส่งให้ไปเกิดในภพต่างๆหมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเสพกามใหม่ มาเสพรูปรูปประชาญใหม่มาเสริรูปประชาญแล้วก็มาสร้างรูปประชาญใหม่สร้างอรูปประชาญใหม่สร้างบุญใหม่สร้างบาปใหม่แล้วก็จะกลับไปเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเกิดแล้วก็ตายเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายตายแล้วก็ไปเกิดตามอำนาจของบุญของบาป พออำนาจของบุญของบาปหมดกาลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุด <c oughs> พระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนจะตัดชโลมเมื่อเห็นว่าตนเองคือร่างกายของพระ อ, องค์เองนี้จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์เป็นอย่างมาก กลั ว, ลว uh. ความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจะะ็บไม่อยากจะตายอยากจะห า, าวิธีทําอย่างไรไม่ให้ทุกข์กับ jal, ความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องออกบวชออกบวชเพราะว่าวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปเกิดในตายภพนั้น ก็คือการที่เราต้องมาบวชเพื่อกาจัดความอยากทั้งสามประการให้หมดไปจากใจให้ได้คือ<ม>ต้องหยุดกามตันหาให้ได้หยุดภาวะตัณหาความอยากจะเสบรูปประชานวิภาวะตัณหาความอยากจะเสบารูปประชาน<ม>และวิธีที่จะทำให้สามารถละกามตันหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ ก็ต้องวิธีของนักบวชซึ่งก็มีแบ่งไว้เป็นสามขั้นด้วยกันเิ่มรักษาศีลฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะมากำจัดตัณหาทั้งสามที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าเลยต้องตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ก็เลยต้องสละราชสมบัติสละความสุขทางโลกทา ง, ทางกา ร, รมาสุขความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะผู้ที่จะตัดการที่จะกลับมาเกิดในการมมาพบได้ต้องไม่ติดการเสพการามนั่นเองเหมือนกับผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่วิธีจะเลิกบุหรี่ก็ต้องเลิกสูบบุหรี่เท่านั้นถึงจะเลิกมันได้ พวที่ต้องการจะเลิกดื่มสุราก็ต้องเลิกดื่มสุราถ้ายังดื่มสุราอยู่มันก็จะติดเดื่มวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็อยากจะดื่มอีกสูบบุหรี่วันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะสูบอีกพวกที่อยากจะเที่ยวก็เหมือนกันต้องเลิกเที่ยวถ้ายังอยากถ้าไปเที่ยวอยู่มันก็จะติดการไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีกไปเที่ยวมากี่รอบ ไปกี่แห่งกี่คนก็ความอยากเที่ยวมันไม่หมดมันก็อยากไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆพวกที่ชอบไปช้อปปิ้งก็เหมือนกันไปช้อปปิ้งวันนี้ไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อรถยนต์ซื้ออะไรก็ตามซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้ออีกเพราะความอยากมันไม่หมดเพราะเราไปทําตามความอยาก วิธีที่จะทำให้ความอยากมันหมดก็ต้องขจึนความอยากไม่ทำตามความอยากอยากจะเลิกบุหรี่ก็เวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันพอเราไม่สูบบุหรี่สักพักหนึ่งความอยากมันก็จะหมดกำลังไปอยากอยากจะเลิกดื่มสุราก็อย่าไปดื่มสุราถ้ายังอยากดื่มสุราอยู่ก็ดื่มสุราไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันหมดดื่มแล้วมันก็อยากดื่มใหมก อยากเที่ยวก็เหมือนกันอยากช้อปปิง้งอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากจะเสพการในรูปแบบต่างๆถ้าต้องการที่จะเลิกมันที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องเลิกมันเท่านั้นเองไม่ทำตามความอยากเ<ม>ช่นวันนี้เราอยากจะอยากจะไปเที่ยวเราฝืนใจไม่ไปเที่ยว<ม>ถ้าเราฝืนใจได้ความอยากไปเที่ยวมันก็จะอ่อนกำลังลง ครังนี้ความอยากไปเที่ยวก็จะมาประมาณครึ่งหนึ่งไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราฝืนอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดเองหมดกำลังไปเองแต่การที่เราจะฝืนความอยากได้นี้เป็นสิ่งยากถ้าเราไม่มีเครื่องบรรเทาความทุกข์ทรมานใจเพราะเวลาเกิดความอยากนี้ใจมันจะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากที่คนเขาเรียกว่าลงแดง เวลาอยากสูบบุหรี่อยากอยากเสพยาเสพติดอยากดื่มสุรานี้เวลาที่ไม่ได้เสพนี่มันจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจจะทนไม่ไหวที่ต้องกลับไปดื่มต้องกลับไปสูบบุหรี่เพราะทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ไหวแค่นั้นเองแต่พระพุทธเจ้ามีเครื่องมือมียามาแก้ให้กินยานี้ถ้ากินยานี้แล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมา จะไม่ทรมานใจยาที่มาแก้ก็คือให้เรามาฝึกสมาธิกันให้ทาใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความอยากมันจะไม่ทำงานทำงานไม่ได้หรือเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็เข้าสมาธิไปพอเราเข้าสมาธิไปความอยากมันก็จะหยุดทำงานเราก็จะทำให้เราฝืนความอยากได้ อยากเดินสุราเราก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากสูบบุรี่เราก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากไปเที่ยวเราก็ไปนั่งสมาธิแทนถ้าเรานั่งสมาธิได้เข้าสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้ความอยากมันก็จะหยุดตัวชั่อขา่าวแล้วมันก็จะไม่มารบกวนมันก็จะไม่ทำให้เราทรมานใจทุกครั้งที่เรามีความอยาก ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็อาศัยการเข้าสมาธิไปแต่ความการใช้สมาธิหยุดความอยากนี้มันเป็นการหยุดได้เพียงชั่วคราวเทนั้นยังไม่หยุดอย่างถาวรเพราะว่าสมาธินี่มันเป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเราเอาเอาหินนี่ไปวางทับไว้บนห ญ, ญ้านี่หญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้ แต่พอเราเอาหินออกจากหญ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งหญ้าได้รับแดดรับฝนรับน้ำเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะว่าสมาธิหรือหินนี่ไม่ไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของหญ้าหญ้าก็ไม่ตายหญ้าเพียงแต่ไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้เพราะมีหินทับเอาไว้แต่พอยกหินออกปั๊บเดี๋ยวไม่นานหญ้าก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ อันใดสมาธิก็เป็นเหมือนหินทับความอยากนี่เองเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็เอาสมาธิมาทับความอยากไว้ความอยากก็จะสงบตัวลงความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากก็จะหายไปแต่ความอยากจะเดิมสุราความอยากจะส่บุรีหรืออยากจะทำอะไรต่างๆนี้มันไม่ตายพออกจากสมาธิมา พอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงบุรีก็เดี๋ยวก็อยากจะสู่บุรีขึ้นไปคิดถึง <c oughs> คิดถึงสุราก็อยากจะดื่มสุราขึ้นไป <c oughs> ถ้าอยากจะไม่ให้มันดื่มก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆยังยั ง, ยงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบคาบการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างราบคาบนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติข้อที่สองข้อที่สามคือปัญญา ต้องเห็นว่าความทุกข์ทรมานใจนี้เกิดจากความอยากและสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความสุขเราไปได้ตลอดเช่นความสุขที่ได้จากการดื่มสุราความสุขที่ได้จากการสูบบุหรี่มันเป็นความสุขชั่วคราว เวลาได้สูบใจก็สบายเวลาได้ดื่มเวลาใจก็สบายแต่ไม่นานฤทิ์ของมันก็หมดพอฤทธิ์มันหมดความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปดื่มอีกอถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์อีกอต้องเห็นว่าความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ความอยากจะเสกกรรมนี่นำไปสู่ความทุกข์ต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าอยากจะ ไม่ทุกก็ต้องไม่ไปเสกกามอีกต่อไปอันนี้คือปัญญาที่จะมาเป็นตัวที่จะห้างความอยากได้อย่างถาวรเช่นเวลาที่เราเราเราดื่มเครื่องดื่มชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ววันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าเครื่องดื่มนี้มีสารก่อมเะเร็งเนี่ยพอเรารู้ว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มนี้ไปต่อไปจะต้องเป็นโรคมะเร็งเนี่ย เราจะไม่กล้าดื่มอีกต่อไปถึงแม้เราอยากจะดื่มมากน้อยเพียงไรแต่ความกลัวตายกลัวโรคมะเร็งนี่มันจะมันจะแรงกว่ามันจะทำให้ใจเราฝืนหยุดความอยากได้อย่างถาวรจะไม่กลับไปแตะเครื่องดื่มนั้นอีกต่อไปเลยฉันางใดถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันจะทำให้เราทุกข์ไปตลอดมันจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย มันจะพาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเพราะความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปความอยากมันอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวที่ผลักดันให้ใจนี้ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการไปหารูปเสียงกลิ่นนสดใหม่มตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เคยติดบุหรี่ก็จะกลับมาติดบุหรี่ใหม่ เคยติดสุราก็จะกลับมาติดสุราใหม่เคยติดเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวใหม่มันก็จะพาให้กลับมาเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพอเกิดก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกาันในทุกวันนี้พวกเราที่ทุกข์กันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรื่องของความแก่ทั้นไม่มีใครอยากจะแก่กันทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความต้องพัดพากจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักไปเดี๋ยวคนนั้นก็ตายจากเราไปเดี๋ยวสิ่งนั้นก็จากเราไปเวลาเขาจากเราไปก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทุกข์ทรมานใจนี่เราต้องเห็นว่าความอยากนี่มันจะพาให้เรากลับมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเหมือนกลับมาเจอโรคมะเร็งกลับมาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจอโรคมะเร็ง โรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคชนิดต่างๆเพราะความอยากของเราอยากจะเสพกลางอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผพพะการอยากจะเสพรูปเสียงกดลดิ่นลพผพพะก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายอยากอยากดูรูปก็ต้องมีตาถ้าไม่มีตาก็ดูรูปไม่ได้เช่นถ้าตาบอด ก, ก็ไม่สามารถดูรูปได้ อยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหู <S <S อยากจะลิ้มรสก็ต้องมีลิ้น <S <S อยากจะดมกลิ่นก็ต้องมีจมูก <S <S อยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆทั้งละที่ที่ให้ความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ <S <S ถ้ามีร่างกายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องมีโรคภัยต่างๆตามมาโรคมะเร็งโรค เบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตสารพัดโรคต่างๆก็จะตามมาถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทําตามความอยากมันก็จะทําให้เราไม่อยากมีต่อไปเพราะเราไม่มีไม่มีใครอยากจะมาเจอโรคมะเร็งกันแต่มีใครรับประกันได้ไหมว่ามาเกิดแล้วนี่จะไม่เจอโรคมะเร็งถ้าไม่เจอโรคมะเร็งก็เจอโรคอื่นแทน โรคความดันบ้างโรคเบาหวานบ้างโรคตับโรคใจใตายตายวายบ้างต้องไปล้างไตฟอกไตอยู่เรื่อยๆต้องไปรอคิวผ่าตัดเปลี่ยนไตมันเป็นเรื่องของความสุข เ, เรื่องของความทุกข์นี่คือปัญญาเราต้องมองให้เห็นถึงผลของการทำตามความอยากว่ามันจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่ ทำให้เรากลับมาเกิดมีร่างกายอันใหม่แล้วร่างกายอันใหม่ทุกร่างกายมันก็เหมือนกันมันก็ต้องแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคชนิดต่างๆแล้วถ้ารักษาไม่หายมันก็ต้องตายไปในที่สุดถ้าเราเห็นผลของการเสพกามเสเรลื่อเสียงกิ่นลดว่ามันทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะทาให้เรา ไม่อยากจะเสียไปต่อไปเพราะเราสามารถอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ไม่มีความสุขนี้ก็คือความอยากนีเ่เวลาไม่มีความอยากแล้วใจเราจะรู้สึกเบารู้สึกสบายอย่างตอนนี้ญาติโยมไม่มีความอยากอะไรรู้สึกนั่งเฉยๆได้มมไม่เดือดร้อนอ แต่ถ้าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะนั่งเฉยๆไม่ได้ถ้าอยากจะไปดื่มอะไรนี่เดี๋ยวทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะไปดูไปฟังอะไรจะนั่งทนต่อไปไม่ได้ถ้าคิดถึงคนนั้นคนนี้อยากจะคุยกับเขาขึ้นมานี่เดี๋ยวก็นั่งอยู่ฟังอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ในขณะที่ไม่มีความอยากนี่เราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความ งุนงิดใจลำคาญใจแต่พอเรามีความอยากขึ้นมาปาั๊บมันจะเกิดความรู้สึกญหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาทันทีเนี่ยพออยากจะสูบบุหรี่เดี๋ยวนั่งตรงนี้ไม่ได้ลนะเดี๋ยวต้องลุกออกไปสูบบุหรี่ถ้าอยากจะดื่มกาแฟเดี๋ยวก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลนะเดี๋ยวจะต้องลุกไปหากาแฟมาดื่มแต่ถ้าเวลาไม่มีความอยากนี่เรานั่งเฉยๆได้สบาย การจะจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดได้<ม>เรารู้ว่าความอยากไม่ดีตอนนี้อยากไปเที่ยวไม่ดีแต่พอถึงเวลาอยากเที่ยวขึ้นมานี้ทนไม่ไหวเพราะไม่มีกำลังสู้สู้ความอยาก<ม>สิ่งที่จะให้เราสู้กับความอยากหยุดกับความอยากได้นอกจากปัญญาแล้ว เราต้องมีสมาธิด้วยเราเห็นว่าการไปทำความอยากจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราไม่มีกำลังหยุดความอยากเราก็หยุดไม่ได้เราก็ต้องทำาท่านกำลังให้กับใจกำลังที่จะมาทำให้ใจหยุดความอยากได้ก็คือสมาธิกำลังสิ่งที่จะทาให้ใจเราไม่อยากจะทาตามความอยากก็คือปัญญามันต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กัน ถึงจะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดความอยากไม่ได้เช่นตอนนี้พวกเราก็รู้ได้ฟังได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเราก็รู้กัน เราไม่มีใครอยากจะกลับมาเกิดกันแต่ก็หยุดความอยากไม่ได้ยังหยุดความอยากไปดุอยากเสรกามไม่ได้อยากหาความสุขจากลูก ป, ประชานหรือูปประชานไม่ได้เราต้องมาฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบกันเราใช้สมาธินี้เป็นเครื่องมือขั้นต้นเราใช้สมาธิเพื่อมาหยุดหยุดความอยากเสบกฐกรรมลกเสียงกลิ่นลดผลทพะ พอเราอยุดการเสพกามได้แล้วเราก็จะมาติดกับสมาธิเพราะเราใช้สมาธิมาแล้วเราเกิดมีความรู้สึกมีความสุขใจจากการเสพความสงบของสมาธิแต่เราก็ต้องมองให้เห็นว่าความสงบของสมาธิก็เป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นความสงบแบบถาวรถ้าเราไปอยากเสพอยากเข้าสมาธิเพื่อให้เรามีความสุข เราก็จะติดสมาธิเราก็จะไปยังเราก็ยังจะไม่ไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดพอเราเราเลิกเสพกลางได้แล้วโดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือเราก็ต้องมาเลิกเสพสมาธิ<ม>เวลาอยากจะเข้าสมาธิก็ต้องไม่เข้าเพราะถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิเราก็จะติดสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในพรหมโลก่รนในรูปภพหรืออรูปภพอีก อันนี้เป็นขั้นตอนขั้นตอนตอนขั้นที่เราต้องการละกามตานหาความอยากเสพกามเราต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือแต่พอเราหยุดการเสพกามได้แล้วเราก็ต้องเลิกใช้เครื่องมือคือสมาธิถ้าเรายังใช้เครื่องมือสมาธิอยู่ติดเครื่องมืออยู่เราก็จะติดการกลับมาเกิดในรูประพอารูประพอยู่ ถ้าเราเห็นว่าเนี่ยการที่เราไปติดสมาธิก็จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดในรูปภพเลืองรูปภพเราก็สามารถหยุดมันได้ทันทีเพราะเรามีกำลังที่จะหยุดความอยากทุกชนิดได้ถ้ามีปัญญาเป็นคนบอกเราว่าการทำตามความอยากแล้วยังจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอีกถ้าเราทําตามความอยากจะเสพกามเราก็จะกลับมาเกิดในกามะพบ ถ้าเราทำตามความอยากจะเสพรูปฌานเราก็จะกลับมาเกิดในรูปภพถ้าเราทำความอยากที่จะเสพอรูปฌานเราก็จะกลับมาเกิดในอรูปภพอีกเราก็ยังจะติดอยู่ในตายภพเราก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นขั้นต้นเราต้องออกจากกามภพก่อนถ้าเราติดกามเราก็ออกจากกามภพพอเราออกจากกามภพได้แล้วเราก็จะมาติดสมาธิ เราก็ต้องหยุดเลิกติดสมาธิเลิอกอยากเข้าสมาธิ <m ains> อยู่แบบไม่เข้าสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิเพราะตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากนี่ต้องหยุดความอยากด้วยการไม่เข้าสมาธิหยุดด้วยการใช้ปัญญาหยุดด้วยการใช้กำลังของสมาธิที่สามารถจะหยุดความอยากได้แต่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องไปหาความสุขจากสมาธิ พราความสุขที่เหนือกว่าความสุขของสมาธิคือความหลุดพ้นจากความอยากทั้งทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เรียกว่านิพานจะเข้านิพานได้ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามหยุดความอยากเสพการหยุดความอยากเสพรูปประจานหยุดความอยากจะเสพแล้วรูปประจานถ้าเรามีปัญญาเร า, ามีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ทั้งหมดพอเราหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หมดแล้วใจของเราก็จะ ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีเหตุที่จะพาให้ใจเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่ในนิพพานแทนผู้ที่หลุดออกจากสังสารวัฏก็คือเทวพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกท่านไม่ได้อยู่ในสังสารวัฏท่านอยู่นอกสังสารวัฏเกตุที่อยู่นอกสังสารวัฏนี่เราเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ที่ส้นสุดแห่งการเวียนว่าตายเกิดก็คือพระนิพานหลุดพ้นจากความทุกข์ของทางเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าวิวมุตติการหลุดพน้นอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งได้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกที่ปรารถนาที่จะต้องการหลุดออกจาก สังสารวัฏหยุดหลุดออกจากการกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่ง ก, ก, การเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ก็ต้องมาสร้างเครื่องมือครับเครื่องมือสามชิ้นด้วยกันคือศีลสมาธิและปัญญาตอนนี้เรามีศีลหรื อ, อยังเรารักษาศีลได้กี่ข้อถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้ต้องมาักเริ่มต้นที่การรักษาศีลก่อน เบื้องต้นก็นรักษาศีห้าไปก่อนเลิกท่าสาบได้ไหมเลิกรักทรัพย์ของผู้อื่นได้ไหมเลิกประพฤติผิดประเทณีได้ไหมเลิกโกหกหลอกลวงได้ไหมเลิกดื่มของบุญนาเช่นสลายาเมาได้ไหมเบ้องตอน้นต้องมาฝึกรักษาศีห้ากันก่อนถ้ายัางไม่ได้ก็ต้องคอยพยายามรักษาถูกไปเรื่อย อาจจะรักษาทีละข้อก่อนก็ได้ข้อแรกข้อโ ก, กหกต่อไปนี้จะไม่โกหกแล้วถ้าจะพูดอะไรก็พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเฉยๆนั่นเองถ้าไม่พูดก็ไม่โกหกถ้าเรารู้ว่าเราพูดแล้วจะโกหกเราก็อยา่าพูดท่านนี้เราก็ไม่โกหกแล้วแล้วก็มาฝึกอย่าไปเอาของของคนอื่นอยากจะได้อะไรก็ไปหาเองถ้าอยากจะได้ของคนอื่นก็ขอนอนุญาตเขาก่อน ถ้าเขาให้ก็ไม่เป็นการรักทรัพย์ถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาก็หัดรักษาศีลแต่ละข้อไปต่อไปก็ได้เองห้าข้อพอได้ห้าข้อแล้วก็มาเพิ่มเป็นหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเพิ่มเพิ่มเป็นข้อหกไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วเพิ่มข้อเจ็ดไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการเสพลูกเสียงกินลดโธดพระ แล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนเตียงที่สุขที่สบายเกินไปเพราะมันจะนอนมากเกินไปให้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นมันจะนอนไม่มากทําไมเราไม่ต้องการนอนมากเพราะเราต้องการจะเอาเวลาของการนอนนี้มาให้กับการฝึกสมาธินั่นเองเราต้องมีเวลาฝึกสมาธิการจะมีเวลาได้ก็ต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว <darum> เราจะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธิกัน <Sand> ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ <z> เราก็จะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธิ <S 2> <S 2> ถ้าเรายังเที่ยวอยู่ยังไปตามหลังท่องเที่ยวไปตามสถานบันเทิงไปตามงานเลี้ยงต่างๆ เราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธินั้นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้มันจึงเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นบันไดก่อนที่เราจะไปปฏิบัติสมาธิได้เราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วต้องรักษาศีลท่านศีลแปดขึ้นไปถึงจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติสมาธิได้เต็มที่ เราต้องการปฏิบัติสมาธิถ้าต้องการได้ผลจากการปฏิบัติสมาธินี้เราต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ปฏิบัติแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ผลมันจะไม่ได้มากเราต้องปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งนอนนี่เราจะเอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการปฏิบัติสมาธิก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน ถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจเราจะไม่นิ่งใจเราจะไม่สงบใจเราจะฟุ้งซ่านใจเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้เราต้องคอยควบคุมคอยคอยลดความคิดลงให้มันคิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉั้นการปฏิบัติสมาธิขั้นต้นนี้ต้องต้องเป็นการฝึกสติก่อนต้องใช้สติมาหยุดความคิดต่าง การจะมีสติก็คือเราจะต้องมีอารมณ์ที่เราผูกใจไว้ให้เราลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้เราลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เป็นการเจริญสติเป็นการห้ามความคิดต่างๆแม่คิดปรุงแต่งถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีพุทโธปั๊บเดี๋ยวก็คิดละคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ คิดแล้วมันก็ยาวไปเป็นเป็นเรื่องปเป็นราวคิดไปได้เป็นชั่วโมงเลยงันเราต้องคอยสกัดความคิดด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธและการบริกรรมพุทโธนี้เราเราต้องทานั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเลยหรือถึงเวลาที่เรานอนหลับเลยเราจะต้องเจริญสติทั้งวันตลอดระยะเวลาที่เราตื่นขึ้นมานี้ต้องฝึกสต้องฝึกสติให้มากๆ ถ้าเราฝึกสติได้มากแล้วมันจะทําให้ใจเราสงบได้เวลานั่งสมาธิใจจะไม่ฟุ้งซ่าใจจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปนานเท่าไรก็นัก็ไม่สงบนั้นนั่งไม่ได้นานเพราะนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วจะเริ่มรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จนกระทั่งทนไม่ไหวนั่งต่อไปไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสติมีพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับพุโทโธไป ใจจะไม่รู้สึกปวดอัดใจจะไม่รู้สึกเ จ, จกเก็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บบ้างเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือมีอเนบชาอะไรเกิดขึ้นมาใจจะไม่เดือดร้อนใจจะปล่อยวางได้ใจจะไม่ต้องไปกังวลไปเดือดร้อนกับการเจ็บของร่างกายใจก็จะอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดใจก็จะสงบลงเป็นสมาธิขึ้นมา น, นี่คือการฝึกสมาธิ เราต้องฝึกสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่มีสติ น, นั่งสมาธิไปเท่าไหร่ใจก็ไม่มีทางที่จะสงบได้ในขั้นตอนของการฝึกสมาธินี้ขั้นแรกเราต้องมีศีลมาคอยกําจัดกิจกรรมทางกามไปก่อนไม่ให้เสพกามไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยาเช่นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนน ศินแปดสข้อสามของศินแปดก็คือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศินหกไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว<ม>เพราะถ้ามูแต่มาคอยห า, หากินอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีเวลาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูมหมอรักษาบันเทิงต่างๆไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไม่ให้ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ให้สังคมกันไม่ให้คุยกัน เวลาคุยกันมันใจก็ต้องคิดก็ทําให้ใจฟุ้งขึ้นมามต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็ต้องนอนให้น้อยที่สุดนอนเท่านอนเท่าที่จําเป็น<ม>คืนละสี่ห้าชั่วโมงก็พอ<ม>ถ้านอนมันฟุ้งหนาหนานอนบนเตียงที่สบายมันก็จะนอนมากกว่าสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะเสียเวลาของการปฏิบัติไปก็เลยจําเป็นจะต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติด้วยการรักษาศีลแปด แล้วหลังจากพอเรามีเวลาแล้วเราก็ต้องเอาเวลานี้มาให้กับการเจริญสติเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี mm hmm. ไง้ไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยไม่ให้คิดเพอ้อเจ้อเพ้อฝันคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันคิดการที่จะทําให้ใจเราไม่คิดได้เราต้องปฏิบัติในวันที่เราไม่มีงานทําถ้าเราต้องไปทํางานนี่ปฏิบัติทำไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ เราต้องหาวันที่เราว่างจากการทํางานเช่นว si ันหยุดทํางานและเราต้องหาสถานที่ที่สงบคือต้องไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆที่มีที่ที่สงบที่จะทําให้เราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมมันก็ปฏิบัติยากถ้าเราปฏิบัติที่บ้านแล้วคนในบ้านเขาไม่ปฏิบัติมันก็ทําให้เราปฏิบัติไม่ยากเดี๋ยวเขาก็กินข้าวเย็นกันเดี๋ยวเขาก็ดูหนังฟังเพลงกัน พอเราได้เห็นเขากินข้าวดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวใจเราก็ทนไม่ไหวก็ศีลก็จะศีลก็จะขาดได้ดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติได้นี้มันต้องมีเวลามีสถานที่ที่เหมาะสมเช่นไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติธรรมอาวัดที่ ป, ปฏิบัติธรรมทุกคนจะไม่กินข้าวเย็นทุกคนจะไม่ดูหนังฟังเพลงทุกคนจะนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกคนจะเจริญสติ ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมจึงจะสามารถที่จะฝึกสมาธิได้แล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องท่องพุทโธไปในใจเลยพุทโธพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าความคิดมันวิเศษตอนนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันไปแล้วความคิดจะไม่ได้ทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ แต่การหยุดความคิดนีด่แหละที่จะทำให้เราได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระหลันต่อไปถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราต้องมีความเพียรพยายามอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรนี่ถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความขยนันที่จะปฏิบัติแล้ว ม, มีแต่ความอยากจะหลุดพ้นนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นจะต้องมีความเพียรเป็นผู้หลักนั้น mm hmm. แล้วสิ่งที่เราต้องเพียรทําก็คือสร้างสติขึ้นมาสร้างพุทโธขึ้นมาพยายามไม่มีพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้ามีพุโทโธแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสงบใจเราจะสบายและเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะนิ่ง เข้าสู่สมาธิได้แล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะลดละความอยากต่างๆได้นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรักษาศีลแปดกันให้ได้แล้วก็หาที่สงบหาที่สงัดที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติแล้วพอได้ที่แล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้น ถ้าเราทำอย่างนี้ได้รับประกันได้ว่าไม่นานเราก็จะได้สมาธิได้จิตที่สงบนิ่งเย็นสบายแล้วเราก็จะใช้จิตที่สงบนิ่งนิ้เย็นสบายไปสร้างปัญญาต่อไปเพราะว่าถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบจิตมันจะไม่ชอบไปคิดทางปัญญามันจะชอบคิดไปในทางกิเลสยัางอยากอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาอยู่แต่ถ้าใจสงบแล้วใจมันไม่หิวใจมันอิ่ม มันก็จะไม่คิดถึงเรื่องเรื่องเรื่องของกิเลสเราก็สามารถดึงมาให้คิดถึงเรื่องของธรรมได้ให้เรามามองให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันจะนําพาเราไปสู่ความทุกข์จะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดและสิ่งที่เราอยากได้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมันจะทำให้เราต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆอยากได้รูปเสียงจินตรสเราก็หาไปจนวันตายก็ไม่อิ่มไม่พอ พอตายไปความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็ยังอยู่ในใจไอ้ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่พาเราไปได้ร่างกายใหม่แล we ้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องมาแก่เจ็บตายกับร่างกายอันใหม่มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือปัญญาที่เราต้องใช้ในการสอนใจเราให้เราเห็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องไม่ควรทําตามความอยากไม่ควรทําตามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอะ เพราะถ้าเรายังอยากนันรูปเสียงกลิ่นรดปวดสะพ้ายู่เราก็ต้องไปมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เป็นเครื่องมือในการเสบรูปเสียงกลิ่นรดแต่รูปเสียงกลิ่นลดต่อให้เราเสบมามากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ทําให้เราอิ่มทาให้เราพอเสบแล้วก็อยากจะเสบอีกดื่มเบอร์ลี่สูบเบอี่มนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบมวนต่อไปดื่มเหล้าขวดนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะดืม่มเหล้าอีกขวดหนึ่งดื่มไม่เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับ เพราะว่าความอยากมันไม่มันไม่หมดแล้วก็สิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็เป็นของชั่วคราวบุหรี่ให้ความสุขเดี๋ยวเดียวสุราให้ความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่มันก็ทําให้เราอยากจะดับความทุกข์ด้วยการดื่มดื่มสุราให ม, ดใหม่ด้วยการสูบบุหรี่ใหม่มันก็จะติดในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือการพิจารณาทางปัญญา ให้เราเห็นว่าการทําตามความอยากโดยเฉพาะความอยากในรูปเสียงกลิ่ธธนรสผดภพนี้มันจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆทําให้เราต้องมีร่างกายเกิดแก่เจ็บตายออถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องฝืนความอยากการจะฝืนความอยากได้เราก็ต้องฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้เพราะถ้าเวลาเราฝืนความอยากเราใช้ความนิ่งความสงบใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่ทารมาน เราจะสู้กับความอยากได้อยู่กับความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่มันจะทรมานใจมันจะทนไม่ไหวในที่สุดมันก็ต้องกลับไปทำตามความอยากหม่อย น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องกระทำกันถ้าเราอยากจะออกจากสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในการมาพบในรูปพบอรูปพบเราต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ที่จะมาหยุดความอยากคือกามตัณหาความอยากเสดรูปความอยากเสดกามภาวะตัณหาความอยากจะเสดรูกประชานและวิภาวะตัณหาความอยากจะเสดเอารูปประชานพอเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้ถ้าเราหยุดความอยากทั้งสามได้แล้วการที่เราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็สิ้นสุดลงเราก็จะหลุดออกจากตายภพหลุดออกจากสังสารวัฏ ไปสู่พานิพานนั่นเองนี่คือเรื่องของสังสารวัฏที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเิวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตุทินงังเปตานางังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมนิจโตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติ阿拉โสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควีนัสตุมาเตภวัตตะวันตราโยสุขีทีคาายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจงวุฒาปจายโน จต <Thank you. S 1> ารูธรรมวัฏฐานตยอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีชาวต่างชาติถามก่อนนะวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ น้ำกลับนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 351 YouTube พระอาจารย์สุชาติ333 YouTube ดร V 54วิทยุออนไลน์10 Clubhouse 3ผู้รับฟังหน้ากุติ150รวม 901,000 เจ้าค่ะ So gonna speak English here. Yeah, I'm g o n n o speak English here. Um, in one of your teaching, you mentioned that the more you have, the more suffering you will be. Um, can you help enlighten me on? Well, if you have one house, you only have one house to worry about. If you have two houses, then you have double the worry. It also depends on your attachment, how strong your attachment is. The cause of your suffering is really based on your attachment. The stronger your attachment, then the stronger your suffering is. If you don't attach, if you're not attached to anything, then you don't have any suffering. So the the reason why you have more because you have more attachment, so you want more, and so then you have more attachment, you have more suffering. If you have less attachment, then you will have less. And you have less suffering. We do need a house to live. So, how much is enough? Is it depend on the individuals? Yes, it depends on the individual. For the Buddha, the Buddha tell the monk not to have a house. Just to live in the forest instead. But you, you can decide. You know the range e r r e a of accommodation you can choose from. The the least expensive will be the least e s u f f e r i n g The most expensive will be the most suffering, because you have to pay more. Okay. Anything else? Maybe. Go ahead. Uh, good afternoon, Chan. Can you speak louder, please? Good afternoon, Chan. Uh, I would like to ask about uh, the other day. Actually, I'm on Facebook uh, asking the questions of, if let's say, for meditations, uh, because I tend to like uh, on and off Tend to delay the meditation uh, practice. So Achan did answer my question. If let's say I don't, I don't uh, really practice this life, then uh, will we suffer after I passed. So that we can maybe Achan explains more on that. Uh, because I tend to, I I try to, but something like uh, push me like. To, to find e x c u s e not to practice more about the meditations, and before this, I did practice for few years, three years or four years. After that, I tend to like uh, delay and delay. Don't know why that, that period of time. I keep on uh, delaying, not practicing. That's well, the reason why you have to meditate. It's, the, it's for you to have happiness yeah, without relying on your body, because your body is not reliable. In the future, it will get old, get sick, and when that time comes, you cannot have any happiness through your body. So you will have a lot of suffering. Um. But if you know how to meditate, you can still have happiness, even though if your body is sick or dying. You can still have happiness from meditation, because meditation doesn't rely on your body. Rely on your practice of mindfulness. So try to practice a lot of mindfulness and meditate as much as possible. Until you can master your meditation, you can tell your mind to be calm, be peaceful anytime you want. Then when you get sick, or when you're old, or when you're dying, you can still be happy. So that's the reason why we we we have to meditate. We have to change our type of refuge from from ref depending on the body to depend on the on the mind itself, to depend on the practice of meditation as the, as the new form of refuge. This is the refuge the Buddha said: Dhamma salanang kacchami. Dhamma is my refuge. The practice of Dhamma will lead to peace and contentment and happiness. A practice s o m e meditation. Uh, can I ask another questions, Achan? Uh, Achan, another one is like uh, because I heard your uh, Facebook the uh, the the talk uh, question and answer as well. So uh, about mind and heart, another one is like uh, Achan did say that uh, if let's say your mind because mind is very tricky, they keep on asking you to do something like. Not uh, make us not mindfulness. Then a h a n said, uh, during that time, uh, you just uh, say p u t o p u t o p u t o to come o w n to con not control. I uh, I mean just say p u t o p u t o p u t o Then the mind will come back or uh, and not really uh, uh, because anything. If let's say because mind and heart is like different. Sometimes we like. I as a layman, I don't know how to differentiate what is a true one, what is the, the mind and the heart, what is the truth, or uh, to lead us to the the different uh, things. So I just want to know about the. Well, when you are not happy, it means your mind going on the wrong direction. Um, when you are happy, then it means you are on the right direction. Um, So when your mind becomes unhappy, you have to stop it by using bhuto bhuto bhuto to calm your mind down, to stop your mind from thinking. Because if you're thinking, that makes you happy or not happy. When you're thinking about bad things, it makes you feel bad. So you have to stop your thinking. If you know how to use bhuto, then you can use bhuto to stop your thinking. And your bad feeling will disappear. Okay. Okay. Well, uh, like for example, uh, I encounter one uh, one person. She like uh, because I'm in the working world. So uh, like uh, when I'm trying to do my work, then I'm settling something. She not happy. Then she come and scold me. Then I then. And very, I feel very not happy. That every time is very serious case. So for me, like I keep on thinking every time I pass that place. So you'll n o w me. I mean, you'll you'll affect my my emotions. So how do I? Because every day I'll pass through that that road uh, every day like that. So I'll like. Recalling every day, recall like recalling the the incident happened to me that day. So how can I get rid of this thing? And through the practice, I can I can do p u t o p u t o or how do I? Well, you can do that when you pass that place. Just don't think about it. Just p u t o p u t o as you pass the place, then your bad feeling can disappear. Before you get to the place, you start putto putto p u t o And don't pay attention to the place. Then you just pass it. Yeah. And that lady, when see me, was, she, no matter got issue no issue, she'll like scolding me or something to make me angry, something like that. Mm -hmm. So I maybe past life is uh, I owe her or whatever I, I don't know. But yeah. this thing happened the a Buddha, few times. h e b u d d a s a i d you have to treat everything as anatta, no self. It's just a natural phenomenon, like like the sound of the the cricket. You know. uh? Can you stop the sound cricket or not when they when they cry? You cannot. Uh. So just learn to live with it. h a t s all accept it. Okay. Let let she do whatever she wants to do. It doesn't matter because you're still you. What you say or do doesn't really. Hurt you at all? You are hurting yourself by your dislike of her. Yeah, so. yeah, yeah. That's why. So you have to tell you to stop disliking, and have you have to learn to accept things in this world. Which sometimes, sometimes you like and sometimes you don't like, but you cannot choose them. Yeah. they come and go as they like. Mm -hmm. So the best way to deal with them is to to accept them all when they come, like or dislike. When you dislike, you just tell your mind to not to react. By reciting b u t t h b h u o t h u t t o then you can stop reacting with this life. Okay. Then you don't feel terrible. You don't feel bad. Okay. Okay. Get it? Uh, yeah. Thank you, a c h a n Thank you very much. Okay. Thank you. Anybody else in the group like to ask question? Come on in. No, no more. Huh? Okay. a b h i a r t a โยมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตึงต้นคอรู้ว่าเป็นความอยากที่จะทำสมาธิข้อทำที่พระอาจารย์แสดงเมื่อสักครู่ว่าให้มีสติตั้งแต่ตื่นนอนจะช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่เจ้าคะหรือจะมีวิธีที่เหมาะสมมากกว่านี้ได้สตินี้จะทำให้ใจเรานิ่งทำให้ใจเราไม่มีปฏิกิริยากรรมการต่างๆของร่างกายร่างกายจะคันตรงนั้นจะเจ็บตรงนี้ก็เฉยได้ถ้ามีสติ ถ้าไม่มีสติพระกิเลสมันจะออกมาปฏิกิริยาทันทีแต่เรามีสติเราจะควุมปฏิกิริยาของกิเลสความรักความชังได้แล้วเราก็จะอยู่กับสิ่งที่เรารักเราชังได้โดยที่ไม่ต้องมีปฏิกิริยาอยู่เฉยๆได้ ตอนลูกนั่งสมาธิจนรวมรู้สึกเฉยๆจิตไปเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวสักพักเห็นสิ่งสวยงามสักพักได้ยินเสียงแม้แต่เสียงสมมุติที่เป็นเสียงจากพระอาจารย์แต่สภาวะตอนนั้นคือลูกแค่รู้แค่เห็นแต่จิตวางเฉยได้แต่พอลูกออกจากสมาธินึกย้อนไปดูสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวนั้นกลับรู้สึกไม่วางเฉยเจ้าค่ะปรุงแต่งว่ามันน่าเกลียดเพราะเหตุใดและโยมควรแก้ไข อย่างไรเจ้าคะก็ต้องใช้สติเวลาเราเกิดปฏิกิริยาตอนที่เราอยู่ในสมาธิเรามีสติมากเราเราเฉยได้พอจากสมาธิมาเราเริ่มมีสติน้อยลงปฏิกิริยาก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเราก็ต้องใช้สติหยุดมันใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพอเราจะมีปฏิกิริยาชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาเราก็ต้องพุทโธพุทโธหยุดมัน โยมเข้าใจเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายแต่ยังออกจากความอะไรไม่ได้ถ้าเราคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วตั้งปรารถนาว่าจะฝึกสมาธิในรูปแบบที่จะไปพบท่านเหล่านั้นให้ได้ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่เจ้าคะมันเป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่อยากจะอยากจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่ควรที่จะมีเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ คนตายไปแล้วนี่โอกาสที่เราจะไปพบเขาใหม่นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะั้นต้องรู้จักปล่อยวางอะไรมาก็ปล่อยมาอะไรไปก็ปล่อยเขาไปถ้าจะเจอกันก็เจอกันได้ถ้ามันจะเจอกันถ้ามันจะไม่เจอกันก็ต้องก็ต้องไม่เจอกันเราอย่าไปกำหนดเราอย่าไปอยากจะเจอเราต้องทำใจให้เป็นกลางเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ ใจรู้ว่าการฝึกสมาธิมีคุณแต่ใจอ่อนแพ้กับความเกรดค้านความเมื่อยผลัดวันประกันพุ่งอยู่แบบนี้จะสอนใจให้ชนะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเจ้าคะก็คิดถึงผลที่จะตามถ้าเราปฏิบัติความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าเราไม่ปฏิบัติความทุกข์ก็จะมากขึ้น กระผมนั่งสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เกือบสองชั่วโมงบีบางช่วงที่หยุดพักพิจารณาใจที่มันดิดดิ้นก็เกิดขึ้นมาพอพิจารณาใหม่ใจที่มันดิดดิ้นก็หลบไปอีกหลวงพ่อครับกระผมควรใช้วิธีไหนที่จะใช้ปัญญาเพื่อถอดถอนใจที่มันดิ้นตัวนี้ครับถ้าปัญญาอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีสมาธิช่วยด้วยเพราะว่าสมาธิจะเป็นตัวหยุดการดิดดิ้นปัญญาเป็นเพียงแต่ เป็นเป็นตัวสอนให้รู้ว่าเราทำไมควรจะหยุดตัวนี้ถ้าเราหยุดตัวนี้ด้วยปัญญาแต่มันไม่มีสมาธิมันก็ยังดิ้นได้อยู่แต่ถ้าเรามีสมาธิไม่มีปัญญามันก็หยุดดิ้นตอนที่เราอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมามันก็จะดิ้นได้อีกแต่ถ้าเรามีทั้งปัญญาทั้งสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาพอมันจะดิ้นเราก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าปล่อยให้ตัวนี้เกิดขึ้นพอเราหยุดตัวนี้ได้ ด้วยสมาธิด้วยปัญญามันก็จะไม่ดิ้นอีกต่อไปช่วงเข้าพรรษาจะถือศีลแปดทุกวันพระแต่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีภาระไม่สามารถไปอยู่วัดได้ทําแบบนี้จะได้อ น, นิสงส์เหมือนอยู่วัดหรือไม่เจ้าคะก็เหมือนกับรักษาตัวที่บ้านอย่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมีเครื่องมา้าเครื่องมือพร้อมกว่ามีอยู่มียามีหมอมีพยาบาล รักษาที่บ้านก็ต้องรักษาตามตามตามตามนี้ตามเกิดไปโอกาสที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้มันมันยากกว่าการที่เราจะไปรักษาที่โรงพยาบาล นิพพานเป็นสถานที่ที่สามารถถอดจิตไปเยี่ยมชมได้หรือไม่หรือหากยังไม่สามารถขจัด ก, กิเลสออกไปจากใจได้ก็จะไม่สามารถสัมผัสกับสภาวะนิพพานได้เลยนิพพานมันอยู่ในจิตมันเกิดจากการหยุดกิเลสตัณห า, ากําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาการมีอภิญญาจําเป็นจะต้องได้บรรลุ พระอาหารหันต์ก่อนหรือไม่เจ้าคะไม่อภิ ญ, ญญานี้เป็นขั้นสมาธิและไม่ได้เกิดกับทุกคนที่ฝึกสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของบุญเก่าวาสนาเก่าสำหรับบางคนบางคนเคยฝึกมาก่อนเคยมีอภิญญามาก่อนพอมาฝึกสมาธิในชาตินี้ก็จะได้อภิญญาคนที่ไม่มีไม่ได้ฝึกมาก่อนในอดีตก็จะไม่ได้อภิญญาแต่อภิญญานี้ไม่สำคัญต่อการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ ล้วอาจจะกลายเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ขวางกั้นพระนิพพานก็นได้ถ้าเราไปหลงไปยึดติดกับวิญญาเราก็จะไม่ไปปฏิบัติทางวิปัสสนาพระอริยเจ้าหรือครูบาที่ท่านนิพพานไม่กลับมาเกิดแล้วท่านไปเจอกันที่แห่งนั้นเหมือนที่คนเรากลับมาเจอกันบนโลกใหม่เจ้าคะอันนี้ต้องไปถึงที่นั่นเองดีกว่าถึงจะรู้ว่าเป็นยังไง การอุทิศบุญถึงผู้ร่วงลับเพียงเราทำบุญและคิดอุทิศไปให้บุญก็ถึงแก่ผู้นั้นแล้วหรือไม่เจ้าคะถ้าเราอุทิศก็ถึงถ้าเราไม่อุทิศก็ไม่ถึงเมื่อฝึกสมาธิให้มากแล้วใจจะสามารถทรงอยู่ในสภาวะแบบในสมาธิตลอดเวลาแม้จะไม่เข้าสมาธิได้ไหมเจ้าคะได้พอแล้วเลยโอเค ถ้าเราทำบุญแล้วมีคนอนุโมทนาสาธุบุญด้วยเขาจะได้บุญด้วยไหมเจ้าคะเขาได้บุญคนละแบบเราได้บุญจากการทำทานแต่เขาได้บุญจากการชื่นชมยินดีกับการทำบุญทำทานของเราเป็นบุญคนละอย่างกันถ้ามารดาท้องแล้วพบว่าเด็กในครันไม่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราต้องยุติการตั้งครันจะมีบาปไหมเจ้าคะบาปก็เป็นการฆ่าเหมือนกัน ก็ปล่อยให้เขาออกมาให้เขาอยู่ตามบุญตามกรรมของเขาไปหมดแล้วเหละคำถามอ่ามีคำถาอีกถ้ามีหัวหน้าที่บ้าอํานาจไม่ฟังลูกน้องเอาแต่ใจตัวเองเราจะวางใจอย่างไรไม่ให้ใจเป็นทุกข์เจ้าคะ่ะเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นหัวหน้าเราเราทําอะไรเขาไม่ได้ <c oughs> การเรียกสติตั้งแต่ตื่นนอนควรเริ่มตอนไหนใช้วิธีไหนและการนั่งสมาธิหลังตื่นนอนควรทำทางทันทีหลังที่ตื่นหรือควรทำธุระอาบน้ำให้เสร็จก่อนออกไปทำงานครับก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันแต่ต้องทำสติก่อนพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยพุโทโธแล้วจะนั่งสมาธิต่อเลยก็ได้หรือพุโทโธไปอาบน้ำไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปแล้วค่อยมานั่งสมาธิก็ได้ แล้วแต่จะสะดวกแต่ต้องมีสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาต้องเริ่มพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถวายอาหารดิบให้พระฉันโยมจะได้บุญไหมครับถวายอาหารอะไรนะอาหารดิบคะ่ะอาหารดิบถวายไม่ได้หรอกพระรับอาหารของดิบไม่ได้นอกจากผักอะไรพวกนี้ถ้าเป็นพวกเนื้อดิบนี้รับประทานไม่ได้ต้องต้องถวายของสุดโอเค ถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถธด